50 languages. เหตุผลบางประการสอง किसे ग ल ा तर्क देना? ไมคุณไม่ได้มาล่ะคะ त ु क्यों नहीं आए? ไม่สบายค่ะ แม่บ้ามารซีดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะแม่ไม่ได้มาเพราะแม่บ้ามารซีแม่ไม่ได้มาเพราะแม่บ้ามารซีทาไมเธอถึงไม่มาล่ะคะโอ้ทำไมไม่มาเธอเหนื่อยค่ะโอ้ท่าก็เลยเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ โอ้ไม่ได้มาเพราะเขาเหนื่อยมาทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะโอ้ทำไเขาไม่มาเขาไม่มีอารมณ์ค่ะไ้เเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะโอ้ไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะ ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะทุกที่ทุกที่ทุียท่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุาที่ทกที่ทุกที่ท่ทุกที่ทุกทา่ทุกที่ทุกทีาทุกที่ทท่ทุกที่ทุกท่ทุก่ทุกที่ทุกทก่ท่่กี่ พวกเขาพาลาดรถไฟค่ะโอนาดิค่ดดิฉุดตุยิีพวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพาลาดรถไฟค่ะโอโลกอิสเลียนียาย่์คิโอนาดิค่ดดิฉุดตุยิีทำไมคุณถึงไม่มาคะทูคิโอหนีายทู่คิโอหนียาดิฉนันไม่ได้รับอนุญาต เมนดี the, อินซดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับ the, อนุญาตแม่ไม่มาเพราะเนอาดีอยะนัยซีแม่ไม่มาเพรเมนูอ่นดีอัจยะนัยซ